จริงๆต้องบอกว่าผมอ่ะสนใจฟิสิกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเหมือนกันนะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงเหรอตอนอเด็กๆผมเคยได้ยินทฤษฎีนี้ตั้งแต่มัธยมต้นแล้วพอดีมีอาจารย์หลายท่านเขาก็เขียนหนังสือออกมาเป็นภาษาไทยนะครับผมก็ได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าโหเฮ้เยจริงเหรอมันเป็นเพราะอะไรมันน่าทึ่งมากแล้วคนที่คิดเรื่องแบบนี้ได้ก่อนการทดลองจะพบอ่ะมัน เก่งมากๆเลย mm. และที่สำคัญคือมันชวนให้เราคิดว่ามันมีเลเยอร์ของความจริงอื่นๆอีกไหมที่ที่เรายังมองไม่เห็น You're listening to the Standard Podcast the eye-opening experience for your ears ได้ในโลกล้วนฟิสิกส์ Podcast วิทยาศาสตร์เนิร์ดๆที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัว ถาได้ไปย้อนฟังนะคะตอนที่เราสองคนเนี่ยได้นินทาไอสไตน์กันไปเป็นแบบชั่วโมงเต็มๆนะคะก็น่าจะคุ้นหูนะคะกับปีแห่งปฏิหาริในปีนั้นเนี่ยไอสไตน์เขาเผยแพรออ่สิ่งที่เขาค้นพบนะคะในปีเดียวกันถึง4ผลงานและหนึ่งในนั้นเนี่ยมีชื่อของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษอยู่ด้วยใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์จะชวนมาคุยกันเรื่องนี้ในวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะอยู่กับฟางรัตทโรจิตพนาค่ะและผมป้องแปงอัดวโรจันธมาทครับ ต้องขอสารภาพก่อนนะคะว่าเป็นหัวข้อที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าด้วยชื่อเนี่ยรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่และมันดูยากด้วยชื่อของมันแล้วก็พยายามที่จะไปดูค่ะพี่บ่งแบงมีฝรั่งอธิบายไว้คนไทยอธิบายไว้มีรูปประกอบนั่นนู่นนี่ยากมากเลยค่ะพี่วันนี้อาจจะเป็นงานหนักของพี่บ่งแปบงเลยนะรครับผมว่ามันเป็นทฤษฎีที่ยากจริงๆนะแล้วก็ยากต่อการทําความเข้าใจพอสมควรแม้ว่าทุกวันนี้นักศึกษา ที่เรียนคณะวิทย า, าศาสตร์หรือเรียนด้านไหนที่เกี่ยวกับวิทย า, าศาสตร์ปีหนึ่งเขาก็เรียนกันแล้วนะอทีนี้ฟังต้องย้อนกลับไปถามก่อนพอได้ยินชื่อทฤษฎี S สัมพัทธภาพพิเศษอะพี่ปองแปงมันมีพิเศษแปลว่ามันมีธรรมดา <c oughs> มันมีแบบอย่างอื่นไหมหรือว่าทําไมอันนี้พิเศษแปลว่ามันมีทฤษฎีสัมพัทธภาพอื่นๆใช่ไหมคะใช่ครับคืออันนี้คิดแบบว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวคือสังก๋วยพิเศษพิเศษมันต้องมีแบบธรรมดาใช่ป่ะจริงๆทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเนี่ย มันเป็นทฤษฎีที่ต่อยอดขึ้นมาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพแบบคลาสสิกของกาลิเลโอก็แล้วกันนะวันนี้อาจจะมีพูดถึงนิดหน่อยซึ่งจริงๆสัมพัทธภาพของกาลิเลโอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทั่วไปในชีวิตประจําวันคือสิ่งต่างๆที่เราพบเห็นเนี่ยเราจะใช้สัมพัทธภาพแบบกาลิเลโออธิบายนะครับแต่ถ้ามันเป็นปรากฏการณ์ที่มีความเร็วเข้าใกล้แสงแปลว่ามันเร็วมากเลยนะน้องฟังค่ะคือแสงเนี่ย ในหนึ่งวินาทีมันวิ่งได้แบบเจ็ดรอบโลกกว่าหน่งสองสามึมันเร็วมากความเร็วในระดับนี้มันไม่อยู่ในชีวิตประจำวันแต่หลายๆปรากฏการ์เนี่ยมันอยู่ในความเร็วระดับนั้นต้องใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพพ <P 4. S 2> ิเศษพิเศษละและถ้าเป็นธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับความโน้มถ่วงนะครับโดยเฉพาะความโน้มถ่วงที่เข้มมากๆไอ้นี่ต้องใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพแบบทั่วไปนะ ดังนั้นสัมพัทธภาพเนี่ยออกมาจากความคิดของไอน์สไตน์นะฮะคือพิเศษกับทั่วไปแล้วก็มีสัมพัทธภาพแบบคลาสสิกก็คือในยุค ข, ของกาลิเลโอนิวตันแถวนั้นใ้แบบนี้ใช้แบชีวิตประจํำวันฮนะแล้วถ้าเราถามเจาะไปว่าแล้วทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษคืออะไรที่บงแบงช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมคะมันเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่อะไรบางอย่างมีความเร็วเข้าใกล้แสงคืออย่างนี้ผมอธิบายความประหลาดของความเร็วก่อนนะครับ สมมุติว่าเราขับรถอยู่บนถนนแล้วรถคันข้างๆเนี่ยเร็วเท่าเราเลยแล้วเรามองไปหาคันข้างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าคันข้างๆหยุดนิ่ ง, งเทียบกับเราอันนี้งงไหมไม่งงไม่ <นะ S 1> ค่ะโอเคทีนี้อีกกรณีหนึ่งคือถ้ามีรถคันนึงวิ่งสวนเรามาเราที่ขับรถสวนกันนะฮะคือหมายเขาว่าเราอยู่บนรถแล้วเราขับด้วยความเร็วสู ง, างมาก <คน S 1> เลยนะตามคนต่างวคน<า>ต่างวิ่งสวนกันแบบนี้ ในทิศ ท, ทางตรงข้ามกันเนี่ยเราจะเห็นรถคันนั้นน่ะวิ่งเร็วมากแต่ถ้าเราไม่ได้ขับรถวิ่งสวนกับเขาอะเราอยู่บนพื้นถนนเรายืนเฉยๆบนพื้นถนนเราก็จะเห็นรถคันที่วิ่งสวนมาเร็วทั่วไปธรรมดาแบบอืมอืมอันนี้งงไหมไม่งงเหมือนกับว่าจุดที่เราอยู่ความเร็วของเรานั้นส่งผลต่อสิ่งที่ที่เราเห็นถูกต้องอืเพราะความเร็วเนี่ยเป็นปริมาณที่เรียกว่าสัมพัทธ์คือขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเนี่ยมีความเร็วเท่าไหร่มันไม่ใช่ว่า มีใครถูกก่าใครหรือเปล่าไมสมมติผมยืนอยู่บนพื้นโลกเนี่ยยืนบนถนนแล้วมีรถคันนึงวิ่งมาทางนี้ผมบอกว่าโอ้โหนี่เร็วร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงคนที่อยู่บนรถอีกคันวิ่งสวนมาบอกเฮ้ยผมเห็นเร็วกว่าออืมันไม่มีใครถูกใครผิดถูกไหมแต่ว่าสองคนเนี่ยถูกทั้งคู่ในความเป็นจริงของทั้งคู่คนะฮะจุดที่เขาอยู่ความเร็วของเขาส่งผลต่อความเร็วที่เขาสัมผัสอถูกต้องถูกต้องนี่คือสัมพัทธภาพแบบกาลิเลโอเลย อันนี้คือแบบคลาสสิกเห็นในชีวิตประจำวันซึ่งดูธรรมดามากจริงไหมพออธิบายแล้วก็พอเข้าใจขึ้นก็รู้สึกว่าอ๋อมันอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละใช่แล้วไอ้พิเศษนี่มันพิเศษไปกว่านี้ยังไงคะทีนี้ผมถามลองคิดเล่นๆว่าถ้าเราอยู่บนรถที่เร็วมากๆนะฮะแล้วมีรถอีกคันเนี่ยวิ่งสวนเรามาแล้วรถคันนั้นเนี่ยฉายไฟฉายใส่เราคิดว่า ใครจะวัดความเร็วของแสงไฟฉายได้เร็วที่สุดระหว่างคนที่อยู่บนพื้นถนนคนอยู่บนพื้นถนนก็เห็นไฟฉายอยู่บนรถคันที่วิ่งสวนนะ <Poppy. S 1> แล้วก็ปล่อยไฟฉายออกมาคนที่อยู่บนรถคันนั้นอ่ะก็เห็นไฟฉายปล่อยออกมาเหมือนกันแล้วคนที่อยู่บนรถที่วิ่งสวนคือรถก็เห็นแสงไฟฉายเหมือนกันใครวัดความเร็วของแสงไฟฉายได้มากสุด เราฝั่งคิดว่าโดย common sense เนี่ยมันต้องอยังไงถ้าตัว common sense ที่อธิบายสัมพัทธภาพเมื่อกี้ไปเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่ามันขึ้นอยู่กับถ้าเกิดว่าคนนั้นอยู่บนรถแล้วรถของเขาก็วิ่งรถอีกคันก็วิ่งเขาก็น่าจะเห็นไฟนั้นอนะเร็วกว่าคนที่อยู่บนถนนไหมถ้าคิดตามหลักของอันเลสคือรถคันที่วิ่งสวนสวนกับแสงไฟฉายเนี่ยสมควรที่จะเห็นแสงไฟฉายเนี่ย เร็วที่สุดเนื้อออกไหมมันคล้ายๆกับเวลารถเนี่ยมันวิ่งสวนกันแล้วเห็นรถที่วิ่งสวนกันคนที่อยู่บนรถที่วิ่งสวนกันเนี่ยเห็นความเร็วมันเร็วขึ้นมันบวกกันอะเวลาชนกันก็แรงจริงๆด้วยนะดังนั้นแสงไฟฉายที่วิ่งสวนมาก็จะเร็วสี่เร็วที่สุดเร็วกว่าคนอื่นอืแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ออเจริงๆแล้วไม่ใช่เลยและนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่ากฎของสัมพัสภาพนะครับก็คือ สัมพัทธภาพพิเศษเนี่ยจะเป็นทฤษฎีที่วางอยู่บนกฎพื้นฐาน2ข้อนะเดี๋ยวผมจะไปถึงกฎเรื่องความเร็วแสงแต่<ฆ>กฎข้อหนึ่งเนี่ยเป็นกฎที่พื้นฐานมากๆเขาเรียกว่ากฎฟิสิกส์เนี่ยมันใช้ได้กับผู้สังเกตทุกคนในเอกภพนะฮะที่มีความเร็วคงที่ฟังดูเข้าใจยากนิด น, นึงแต่หมายความว่าใครก็ตามที่มีความเร็วคงที่นะคนคนนั้นเนี่ยจะต้องใช้กฎฟิสิกส์ได้ไม่ใช่ว่าคนอยู่บนพื้นโลกใช้กฎฟิสิกส์ได้นะพอพอพอขึ้นไปบนรถวิ่งแล้วอะ แบบใช้กฎฟิสิกส์ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นกฎชนิอื่น อ, อะไรแบบนี้ซึ่งไม่ใช่กฎฟิสิกส์มันต้องเสมอภาคกับผู้สังเกตที่มีความเร็วมสม่ำเสมอเท่ากันทุกคนคอันนี้มันมัน make sense มากะนะแต่กฎข้อที่2แปลกๆมากก็คือเนี่ย อ, อัตราเร็วแสงในสุญญากาศเนี่ยเร็วเท่ากันสำหรับทุกคนที่อยู่ในที่อยู่ในในกรอบความเร็วคงที่นั้นมหมายความว่า คนที่อยู่บนพื้นถนนเนี่ยก็เห็นแสงไฟฉายบนรถความเร็วค่าหนึ่งคนที่อยู่บนรถที่ฉายไฟฉายเองก็เห็นความเร็วเท่ากันและคนที่อยู่บนรถที่วิ่งสวนมาก็เห็นความเร็วของแสงไฟฉายเท่ากันหมดทั้งสามคนอ๋อโดยที่ไม่เกี่ยวกับจุดที่เขาอยู่หรือว่าความเร็วที่เขาเคลื่อนที่ถูกต้องและแสงความเร็วของแสงไฟฉายเนี่ยเป็นปริมาณที่เป็นสมบูรณ์คือหมายความว่าไม่ขึ้นกับการสังเกตมันเป็นของมัน ใช่คือความเร็วของวัตถุอื่นๆเนี่ย ม, มันเป็นสิ่งสัมพัส์แต่ค่าอัตราเร็วแสงเนี่ยมันเป็นสิ่งสมบูรณ์ขึ้นมามันเป็นข้อยกเว้นประหลาดขึ้นมาอย่างนี้ ม, มันเป็นของที่ดูไม่ค่อย make sense แต่มันก็พอทําใจศึกษาไปสักระยะหนึ่งเราจะเพราะว่ามันก็จะ make sense ใหม่ของเราอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วก่อนหน้าที่ไอน์สตน์จะสร้างทฤษฎีนี้ขึ้นมาเนี่ยนักฟิสิกส์คนอื่นๆเนี่ยก็เริ่มระแคะรัคายถึงข้อเท็จจริงนี้แล้วนะ ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของคุณแม็กซ์เวลล์ก็มีบางอย่างที่เป็นจุดบอกใบว่าอาาัตราเร็วแสงในสัญญากาศคงที่สําหรับสําหรับผู้สังเกตทุกคนอะไรแบบนี้แล้วก็ก่อนหน้าเนี้ก็มีนักฟิสิกส์ที่พยายามสร้างสัมพัทธภาพพิเศษขึ้นมาแล้วแต่มันเป็นชิ้นส่วนทางคณิตศาสตร์กระจัดกระจายกันอยู่นะครับแต่เอาเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยหมืนมามองมันในเชิงฟิสิกส์เป็นคนแรกๆที่พยายามตีความแล้วก็สร้าง ขึ้นมาในเชิงฟิสิกอ่ะแปล ว, ว่าด้วยเหตุเนี้ยมันก็เลยทําให้ทฤษฎีเนี้ยชื่อว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเพราะว่าไอตัวเจ้าความเร็วแสงเนียมันเหมือนกับพิเศษกว่าการที่เราใช้หลักการทั่วไปในการเข้าใจไม่ใช่ไม่ใช่<อ>ความที่มันได้รับชื่อว่าพิเศษเนียมันคือพิเศษมันเหมือนยอดเยี่ยมที่สุดอะไรเงี้ยนะ<อ>แต่จริงๆแล้วมันคือกรณีเฉพา ะ, ะที่ผู้สังเกต มันต้องมีความเร็วคงตัวแต่ถ้าผู้สังเกตมีความเร็วไม่คงตัวเนี่ยมันจะมันจะเป็นเรื่องของความเร่งมันจะต้องไปสู่ equivalent principle ที่อยู่ในสัมภาพภาพทั่วไปซึ่งมันเป็น general case อะไรพวกนี้พิเศษคือเหมือนเป็นข้อยกเวน้นเป็นข้อกรณีพิเศษกรณีพิเศษที่ความเร็วคงตัวผู้สังเกตที่ใช้ที่อยู่ในกรอบทฤษฎีนี้จะต้องมีความเร็วคงตัวอะไรแบบนี้นะแต่ตอนนี้จะเห็นได้ว่าอัตราเร็วแสงถือว่าเป็นของมหัศจรรย์ที่ ทุกคนต้องเห็นเร็วตรงกันแล้วก็มีการทดลองที่แสดงให้เห็นด้วยนะฮะว่าอัตราเร็วแสงเนี่ยมันเร็วเท่ากันในทุกผู้สังเกตมีการทดลองแบบนี้ออกมาในยุค ข, ของไอลสไตน์ด้วยนะครับอันนี้เป็นการทดลองที่มีชื่อเสียงมากชื่อการทดลองของคุณไมเคิลสันกับโมเลนะเขาทำอะไรคะอุปกรณ์การทดลองเนี่ยมันมีความซับซ้อนจนต้องอาจจะต้องยกยอดไปที่อื่นแต่เอาเป็นว่า เขาพยายามวัดความเร็วของแสงในแนวทางต่างๆกันอะไรแบบนี้ในแนวต่างๆกันซึ่งบทสรุปมันบ่งชี้ได้หลายอย่างนะฮะหนึ่งในนั้นก็คืออัตราเร็วแสงเนี่ยมันมันคงที่สำหรับผู้ทุกผู้สังเกตจริงๆะรแบบนถ้าเมื่อกี้เราที่เราคุยกันแปลว่ามันมีกฎอยู่สองข้อของทฤษฎีนี้ใช่ไหมคะขอพี่ปองแปงทวนให้อีกทีได้ไหมคะครับก็กฎข้อหนึ่งก็คือผู้สังเกตที่มีความเร็วคงตัว ทุกคนในเอกภพบนะจะต้องเห็นกฎจะต้องใช้กฎฟิสิกส์ชุดเดียวกันหมดมนะทุกคนจะต้องมีความเสมอภาคใช้กฎฟิสิกส์ได้หมดอะไรเงี้ยะน ะ, ะแล้วก็ข้อที่2ก็คืออัตราเร็วของแสงในสุญญากาศเนี่ยไม่ว่าคุณจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ก็ตามนะครับมันจะคุณจะต้องเห็นค่าเดียวกันหมดอืจริงๆเรื่องกฎข้อที่2เนี่ยไอน์สไตน์เนี่ยสังหรณ์ตอนเด็กๆประมาณว่าถ้าเขาวิ่งด้วยความเร็วเท่าแสงเขาจะเห็นแสงเป็นยังไงอืม ถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วเท่าแสงเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราเราขับรถ ด, ด้วยความเร็วเท่ากันกับรถข้างๆเราควรจะเห็นรถข้างๆเสมือนหยุดนิ่งถูกป ะ, ะไอสไตล์ก็คิดว่าถ้าเกิดเขาเร็วเท่าแสงเนี่ยเขาก็ต้องเห็นแสงหยุดนิ่งแต่การเห็นแสงหยุดนิ่งเนี่ยมันเป็นสภาพที่พิลึกเกืกกื อ, อนะขึ้นไปเหล็กไฟฟ้ามันหยุดนิ่งได้หรืออะไรแบบเนี้นะครับซึ่งผลลัพธ์อย่างหนึ่งของสัมพัทธภาพพิเศษก็คือการชี้ให้เห็นว่าเราไม่มีทางเร็วเท่ากับแสงได้คือหมายความว่า วัตถุที่เป็นวัตถุธาตุทั่วไปมีมวลค่าหนึ่งเนี่ยมันไม่มีทางที่จะถูกเร่งความเร็วจนเท่ากับแสงได้มันจะเข้าใกล้แสงได้แต่ไม่มีวันเท่าแสงได้ อ, อะไรแบบนั้นเขาสร้างทฤษฎีขึ้นมาจากกฎเรียบง่ายสองข้อนี้ซึ่งมันน่าทึ่งมากและผลลัพธ์ประหลาดอย่างหนึ่งที่มันสั่นคลอนโลกฟิสิกส์ก็คือมันทาให้เราเห็นว่าเวลาเนี่ยมันเดินไม่เท่ากันสาหรับสาหรับทุกๆคน อยังไงอะคะยังไงใช่ไหมอันนี้ซับซ้อนเดี๋ยวผมจะให้น้องฟางดูรูปอ่ะท่านผู้ชมต้องดูรูปไปพร้อมๆกันนะครับโอเคอ่าไปค่ะอ่ารูปนี้เนี่ยเป็นรูปคลาสสิกมากคือใช้อธิบายสัมพัทธภาพพิเศษกันทุกที่นะครับค่ะในการเรียนการสอนเขาก็ใช้รูปนี้อธิบายกันแต่ว่าผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดนะมสมมุติว่าเราอยู่ในยานอวกาศนะครับเป็นคนชื่อใน A กันแล้วกันนั่งอยู่ในยานอวกาศความเร็วสูงมากยานนี้วิ่งด้วยความเร็วสูงมากค่ะ ในยานลำเนี่ยมีนาฬิกาอยู่เรือนนึงซึ่งนาฬิกาเรือนเนี้นกลไกมันใช้แสงเนี่ยในการขับเคลื่อนหมายความว่าพื้นยานเนี่ยจะมีเครื่องปล่อยแสงขึ้นมาแล้วพอแสงวิ่งไปถึงเพดานเนี่ยมันก็จะเจอกระจกแล้วมันก็จะสะท้อนกลับลงมาที่ที่ด้านล่าง<ะ>ซึ่งมันจะมีตัวตรวจจับแสงอยู่พอแสงสะท้อนลงมาที่ด้านล่างปุ๊บเนี่ยนาฬิกาก็จะเดินติ๊กนึงแล้วก็ปล่อยแสงก้อนใหม่ขึ้นไปทันที สะท้อนที่กระจกแล้วก็ลงมาที่ตัวตรวจจับด้านล่างแล้วก็เดินอีกติ๊กนึืงดังนั้นนาฬิกาก็จะเดินติ๊กติ๊กติ๊กสำหรับคนที่อยู่ในยานนึกออกไมไม่ได้เข้าใจยากอะไรทีนี้คนที่อยู่ข้างนอกยานคือคนที่อยู่บนโลกจะเห็นแสงเดินทางยังไงแน่นอนว่าเส้นทางของแสงเนี่ยจะต้องไม่ใช่ขึ้นลงละลองนึกภาพอย่างนี้ฮะสมมติว่าพี่ขึ้นรถทัวแล้วผมโยนลูกบอลน่ะ แล้วก็รับมผมก็เห็นลูกบอลขึ้นลงตามปกติแต่น้องฟางที่อยู่ด้านล่างรถทัวร์จะไม่เห็นว่าลูกบอลที่ผมโยนเนี่ยมันขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้แต่จะเห็นลูกบอลเนี่ยมันเคลื่อนที่คโค้องอคือมันมีความเร็วของรถทัวร์เสริมเข้ามาด้วยเส้นทางของลูกบอลก็เลยยาวกว่าเส้นทางที่ผมเห็นแค่นั้นและแน่นอนกับแสงก็เหมือนกันคนที่อยู่ด้านล่างจรวดก็จะเห็นเส้นทางเดินของแสงเนี่ยมันยืดยาวออก และการติ๊กที่คนข้างล่างสังเกตเห็นเนี่ย <_ an> เขาจะไม่เห็นว่านาฬิกามัน <_ an> ติ๊กติ๊กติ๊กแบบคนที่อยู่ในยานจะจะเห็นว่าติ๊กแล้วก็ติ๊ก <ừ> ดังนั้น <ừ> อัตราการติ๊กของานาฬิกาที่อยู่ในยานกับคนที่อยู่นอกยานไม่เท่ากันเนี่ยคือสิ่งที่ยืนยันได้ว่าอัตราเร็ว ส่งผลต่ออัตราการเดินของเวลามไม่ใช่การเดินของนาฬิกาแต่เป็นเวลาหมายความว่าลองนึกภาพนะฮะผมอยู่นอกยานเนี่ยกว่าผมจะเห็นคนในยานติ๊กหนึ่งโอ้โกว่าจะติ๊กติ๊กโอ้กว่า จ, จะติ๊กนานมากเลยยิ่งยานความเร็วสูงอัตราการติ๊กนี่ยิ่งยืดออกดังนั้นมผมจะเห็นคนในยานเนี่ยเวลาผ่านไปช้ามากๆ คนที่อยู่นอกยานเนี่ยจะเห็นคนที่อยู่ในยานอวกาศกว่าเวลาเขาจะผ่านไปสักติ๊กนึงโอ้โหนานเหลือเกินไปทําล้างจานแล้วก็แล้วไปกวาดบ้านแล้วไปเอ่อทำอะไรละ่ะทํางานทําการนอนหลับไปตื่นหนึ่งกว่าจะติ๊กนานมากเลยอืนึกออกไห ม, มแต่คนในยานเขาก็บอกก็ปกติฉันก็ติ๊กธรรมดาดังนั้นคนคนที่อยู่ในยานเนี่ยพอเดินทางไปนานมากๆเข้าฮะแล้วย้อนกลับมาหาคนที่อยู่นอกยาน คนในยานอ่ะเวลาภายในแทบไม่เปลี่ยนเลยอถ้าเขาออกจากยานไปพร้อมกับกินกล้วยอยู่เขาอาจจะยังกินกล้วยไม่เสร็จเลยก็ได้กําลังกินคําที่สองงนะไรเงี้ยยานกลับมาจอดแล้วอ่ะแล้วข้างในเขาก็ยังหนุ่มแน่นเลยในขณะที่ผมซึ่งอยู่นอกยานเนี่ยเวลาผ่านไปนานมากโอ้โหข้างนอกยานเวลาผ่านไปนานมาละเวลาในยานแทบจะไม่ผ่านเลยอะ่ะ <c oughs> ดูภาพนี้เราช่วยไหมดูภาพนี้แล้วช่วยแต่ว่าพอฟังอธิบายแล้วก็รู้สึกว่า เฮยจริงเหรออะไรเงี้ยมันแบบมันเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ย ม, ม, มันมันทั็นแบบนั้นแหละซึ่งอืมจริงๆคณิตศาสตร์ของของอะไรพวกพวกเนี้นะฮะมันมีนักฟิสิกส์คนอื่นๆเขาทําออกมาแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่เวลานะที่ไม่เท่ากันค่ะความยาวก็วัดได้ไม่เท่ากันด้วยออะไรแบบเนี้ยอืซึ่งมันมันแปลกประหลาดมันกลายเป็นว่าเวลากับที่ว่างเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสมบูรณ์ที่แต่ละคนเนี่ยวัดได้เท่ากันหมดอืมซึ่ง มันขัดแย้งกับฟิสิกส์ยุคคลาสสิกแบบนิวตันมากๆนะครับสําหรับนิวตันแล้วเนี่ยเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านไปเท่ากันทั้งเองกภพทุกคนจะต้องเห็นเวลาเดินด้วยอัตราเดียวกันทั้งเองกภพไม่ว่าคุณจะเ <3 S 2> คลื่อนที่ <4 S 1> ใช่เป็นสัมบูรณ์เลยแหละนะซึ่งในทฤษฎีของคลาสสิกแบบนิวตันเขาก็เรียกเวลาสัมบูรณ์ด้วยนะ absolutetime แต่สําหรับทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเวลาไม่ใช่สิ่งสัมบูรณ์แล้วซึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ขัดแย้งกับฟิสิกส์ยุคคลาสสิกมากแล้วก็ คนก็รู้สึกช็อกเหมือนกันนะที่แบบเฮ้ยเวลามันไม่สมบูรณ์เหร อ, อก็พยายามทดลองจับผิดโน่นนี่นั่นมีการเอานาฬิกาอะตอมขึ้นไปบนเครื่องบินที่เคยเล่าไปะนะฮะผลปรากฏว่ามันมันถูกเนี่ยสัมพัทธภาพพิเศษถูกต้องเวลาที่อยู่ในกรอบที่เคลื่อนที่เร็วอะเดินชา้าลงจริงๆรที่ป่องแปงคะ่ะแต่มันจะมีเหมือนมีคนพูดว่าเฮ้ยมวลอนะยืดหดได้ ม, มันยังไงคะมวลสาใช่ไห ม, มในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเนี่ยมันยืดหดได้ไหม จริงๆก็บอกว่ามวลสารเนี่ยมันยืดหดความยาวได้ตามความเร็วของผู้สังเกตนะฮะคือถ้าผมอยู่นิ่งๆบนบนพื้นโลกผมมีไม้เมตรอยู่ผมก็เห็นไม้เมตยาวอย่างเท่าหนึ่งแต่คนที่วิ่งมาในจรวจแล้วเขามีไม้เมตรของเขาอ่ะผมไปวัดไม้เมตรเขาอ่ะผมเห็นไม้เมตรเขาสั้นลงนะอย่างเงี้ยคือความยาวอ่ะอมันขึ้นอยู่กับความเร็วนะฮะแต่ แต่แต่แต่แตมวลสารเป็นสิ่งสมบูรณ์เป็นค่า i n v a r i a n เรคือไม่ไม่เปลี่ยนนะครับมวลสารเนี่ยตรงกันสำหรับทุกผู้สังเกตแนวคิดที่บอกว่ายิ่งคนที่เคลื่อนที่เร็วจะมีมวลมากขึ้นมากขึ้นอะไรแบบนี้อันนี้เป็นความคิดที่ผิดไปแล้วนะทุกวันนี้เราเราต้องต้องในการเรียนการสอนทุกคนเนี้ยเราจะใช้คำว่ามวลเนี่ยเป็นปริมาณสมบูรณ์นะฮะมวลสารตรงกันสาหรับทุกผู้สังเกตนะไม่ใช่ว่า ผู้สังเกตพอไปอยู่ในกรอบที่เคลื่อนที่เร็วมวลสารมันเพิ่มขึ้นมวลมันเท่าเดิมอะอะตอมอะไรมันไม่ได้มากขึ้นอะไรแบบนี้มันคอนเซปต์ตรงนี้มันต้องเข้าใจว่ามวลเป็นปริมาณสมบูรณ์ไม่ใช่สัมพัทธ์แต่ว่าการเห็นมันยืดหดเล็กใหญ่เนี่ยเป็นที่ผู้สังเกตต่างหากเป็นเรื่องของการยืดหดของสเป e หรือความยาวไม่ใช่มวลมถ้าเรานึกถึงภาพที่ใกล้ตัวเราหน่อย ในหนัง ar, อินเตอร์สเตลล่าอะไรัอย่างที่พ่อกลับมาก็กลายแบบพ่อยังพ่อยังหนุ่มยังหนุ่มอะแต่ว่าลูกก็คือแก่ <c oughs> นะอันนี้อันนี้มันเกี่ยวกันั้ยคะเหมือนกันไหยคะอันนั้นจริงๆจะว่าเกี่ยวก็เกี่ยวแต่มันเป็นผลที่เกิดจากสัมพัทธภาพทั่วไปมากกว่าก็คือตอนเข้าไปใกล้สนามความโน้มถ่วงเข้มๆ ข, ของพวกหลุมดำอะไรพวกนี้เวลามันก็จะเดินช้าลงจริงๆ <c oughs> อันนั้นไว้ <c oughs> ไว้มีโอกาสนะครับ <c oughs> ไว้เล่าในตอนทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปก็แล้วกันแต่ว่าอ ม, มันเป็นผลจากความเข้มของความโน้มถ่วงที่ส่งผลที่ส่งผลให้เวลาเดินช้าลงพอฟังเมื่อกี้แล้วที่บอกว่าเฮ้ยพอไอสไตล์แบบเปิดทฤษฎีนี้ออกมาเราคุยฟังพี่ป่องแปงอธิบายกันก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยแล้ววันนั้นที่ไอสไตล์เปิดสิ่งนี้ออกมามันสะเทือนวงการขนาดไหนสะเทือนมากสะเทือนแบบสะเทือนมากๆนะครับนักฟิสิกส์ก็ พยายามทดลองว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรพวกนี้ยถ้าสุดท้ายผลการทดลองมันมันบอกว่าจริงไงมันก็จบมันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าทฤษฎีเนี้มันถูกต้องแต่กาะนั้นก็ตามก็มีคนพยายามคิดในทุกซอกทุกมุมว่ามันมีรูโบไหมอะไรมั้ยพยายามจะหาข้อข้อย้อนแย้งว่าตัวทฤษฎีเนี่ยมันมัน inconsistent คือหมายความว่ามันมันมีส่วนที่ขัดแย้งในตัวมันหรือเปล่ามันมีพาราด็อกหรือเปล่านะก็พราบว่ามันมีพาราดอกอยู่เต็มไปหมดเลยอื นะแต่ภายหลังมาเราเพราะว่าผลดอกเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ทฤษฎีไม่สมบูรณ์แต่เป็นการคิดที่ไม่สมบูรณ์นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังแต่ว่าอาจจะไม่ได้แก้ให้ดูนะเช่นว่าตอนที่คนที่อยู่ในยานอวกาศเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากๆแล้ววิ่งกลับมาคนที่อยู่ในยานเนี่ยจะไม่แก่เขาจะเห็นเออเวลาจะเดินช้าลงนะจนตัวเขาไม่ค่อยแก่แต่คนบนโลกเนี่ยแก่มากแล้วนะครับ ทีนี้ก็มีคนคิดว่าเอา้าแล้วถ้าเรามองในมุมของคนในยานล่ะเรามองว่าโลกอะเป็นฝ่ายวิ่งไม่ได้เหรอถ้าเรามองถ้าถ้าแต่ละคนมีความกดฟิสิกส์มันมีความสมมาตรหรือเรียกได้ว่ามีความสม่ําเสมอเท่าเทียมกันเนี่ยคนบนโลกก็ควรที่จะเป็นฝ่ายวิ่งก็ได้แล้วคนบนโลกต่างหากที่ควรที่จะแก่ช้าลงถ้ามองแบบนั้นเนี่ยมันดูย้อนแย้ยงเห็นปะอืมใช่แต่ว่าภายหลังมาก็มี การพิสูจน์อะไรมากมายแสดงให้เห็นว่าอ๋อมันไม่ได้ย้อนแย้งนะครับคนในยานต่างหาที่จะแก่ช้าลงจริงหรืออะไรแบบนี้<ม>ใช่<ม>ก็มีคน ม, มีคนพยายามคิดเรื่องความย้อนแย้งต่างๆทั้งเรื่องอออการหดสั้นของความยาวหรืออะไรพวกนี้มามาเพื่อทดสอบว่ามันมีความย้อนแยง้งหรือเปล่าแต่ความย้อนแย้งนั้นถูกแก้ได้หมดแลยเอางี้แล้วก็<ม>แล้วกัน<ม>นะฮะหรือจะเรียกเดียว่ามันก็ มีการคิดซะจนละเอียดแล้วก็ทุกวันนี้มันก็กลายเป็นหนึ่งในแบบฝึกหัดที่ใครที่เพลียนก็จะได้พยายามศึกษาเรื่องความย้อนแย้งเหล่านี้ลองดูซิว่ามันไม่ย้อนแย้งอย่างไรอะไรแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันเจ๋งมากเกี่ยวกับสัมรรธภาพพิเศษนะคือผลลัพธ์อย่างหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไอสไตน์เนี่ยดีพิมพ์ออกมาแบบแรกๆเลยด้วยนั่นก็คือสมการ E ีสำหรับเอสแควร์ที่เราเห็นนี้ะนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมการฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนะฮะสมการเนี่ย ผมว่ามันเป็นสมการที่ยิ่งใหญ่มากเพราะมันเปลี่ยนแปลงฟิสิกส์แบบคลาสสิกไปตลอดการเหมือนกันอยังไงคะมันเปลี่ยนยังไงคะมันเปลี่ยนตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยมวลสารนะฮะกับพลังงานเนี่ยมันเป็นของคนละอย่างกันมวลสารเนี่ยส่งผลต่อปริมาณพลังงานนะแต่แต่มันเป็นของคนละอย่างกันอย่างแน่ๆผมยกตัวอย่างเช่นว่าพลังงานที่เราเคยเรียนในยุคนิวตันหรือยุ ค, คลาสสิกนะฮะน้องฟาง มันเป็นปริมาณที่มีกฎอนุรักษ์ของมันมนะเขาเรียกว่ากฎอนุรักษ์พลังงานคือ<ฆ>ก่อนการเปลี่ยนแปลงปรากฏการในระบบหนึ่งเนี่ยมันจะมีปริมาณพลังงานที่เท่าเดิมไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็ตามแต่พลังงานมันเปลี่ยนรูปแบบได้ซึ่งเราก็รู้จักรูปแบบพลังงานเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพลังงานศักย์เคยได้ยินไหมครัเช่นถ้าผมมีสปริงอยู่แล้วผมอัดสปริงเข้าไปค่ะ<ฆ>สปริงตัวนี้ที่ถูกอัดเนี้ยมันจะมีพลังงานศักย์เก็บอยู่อยู่ข้างในตัวมันที่พร้อมจะปลดปล่อยค่ะหรือถ้าผมยกของขึ้นมา ไว้บนที่สูงๆเนี่ยของในที่สูงเนี่ยมันก็พร้อมที่จะปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นความเร็วถ้าผมปล่อยมือ อ, มอีกรูปแบบคือพลังงานจนหรือพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุมันมีความเร็วอยู่ในตัวมันนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนนะวัตถุที่มีความเร็วก็มีมพลังงานอยู่ทั้งนั้นพลังงานศักสามารถแปลรูปเป็นพลังงานจนได้ะนะถ้าผมยกของขึ้นมาไว้บนที่สูงแบบนี้มันมีพลังงานศักแต่ไม่มีพลังงานจนแต่ผมค่อยๆปล่อยออกมา พลังงานศักมันลดลงแล้วพลังงานศัก์ที่ลดลงค่อยๆแปรรูปกลายเป็นความเร็วอแล้วพอปล่อยออกมาอีกพลังงานสักก็ลดลงอีกและความเร็วมันก็เพิ่มขึ้นอีกแต่โดยรวมแล้วพลังงานทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในชุดที่เรียกว่ามันมีมันคงตัวมันเท่าเดิมตลอดมันอนุรักษ์ไว้อแปลว่าไอ้เนี่ย e เท่ากับ mc เนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนอะไรตรงนี้ป่ะคะมันเปลี่ยนตรงที่ว่าสมการนี้แสดงให้เห็นว่ามวลสารเนี่ยมันคือรูปแบบหนึ่งของพลังงานมันคือพลังงาน มันไม่ใช่ว่ามวลสารเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ค่ะมวลสารคือพลังงานโดยตัวมันโดยรากของมันอะมวลสอดคล้องกับความเป็นพลังงานอย่างสมบูรณ์เลยดังนั้นแล้วเนี่ยกฎอนุรักษ์พลังงานถ้าจะพูดในกรอบของสัมพัทธภาพพิเศษจริงๆเขาก็เรียกว่ากฎอนุรักษ์มวลพลังงานนะครับและสมการนี้ยังแสดงความแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ว่า ในเมื่อมวลมันมันเป็นรูปหนึ่งของพลังงานดังนั้นถ้าเราทำให้มวลเนี่ยหายไปหรืออะไรแบบนี้นะมันย่อมแปล ร, รูปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้แล้วถ้าคำนวณในสูตรนี้นะฮะ E ถ้ากับ mc สแโดยที่ตัว c เนี่ย E ก็คือพลังงานเนา ะ, ะ M คือมวลสารแล้ว c ก็คืออัตราเร็วแสงอัอาตราเร็วแสงเนี่ยมันมีค่าเยอะมากเลยเรายกกำลังสองมันอีกอแล้วคูณกับมวล เราเท่ากับว่าถ้าเราคํานวณดีๆเราจะพบว่าถ้ามวลสารก้อนหนึ่งหายไปนะมันจะแปลรูปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆได้มหาศาลใช่<อ>ซึ่งนอกจากสมการนี้จะนําไปสู่ความเป็นไปได้ในการสร้างระเบิดปรมาณูแล้วเนี่ยจริงๆมันที่ผมบอกว่านักเรียนในระดับมัธยมปลายก็อาจจะได้เรียนกันนะไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์สายศิล์ เวลาเราเรียนเรื่องปฏิยาณนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นฟิวชันฟิสชันพวกนี้มวลสารเนี่ยมันมีการแปรเปลี่ยนอยู่นะถ้าใครงงก็ย้อนกลับไปดูตอนดวงอาทิตย์จริงๆเคยพูดไปแล้วด้วยอเออนะห้ามถามนะห้ถาถามได้ถามได้แต่ว่าลองลองย้อนกลับไปดูก่อนคือดวงอาทิตย์เนี่ยมันเปล่งแสงได้เพราะอะไรครับน้องฝางจาได้ไห ม, มปฏิกิริยาฟิวชั่นที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ใช่มจากการรวมธาตุเบาสองธาตุให้กลายเป็นธาตุที่หนักขึ้นค่ะ แต่ธาตุแต่นิวเคลียสสองธาตุเบาสองธาตุสมมุติมันหนักหนึ่งหน่วยกับหนึ่งหน่วยพอเอามารวมกันปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้หนักสองหน่วยมันหนักน้อยกว่าสองหน่วยหน่อยนึงมันเป็น 1. นุดหรืออะไรแบบนี้มันเป็นมันมันไม่ใช่สองอ่ะไอส่วนที่มันมันน้อยลงอ่ะมันกลายเป็นพลังงานออกมาและนี่คือพลังงานของดวงอาทิตย์ดังนั้นสัมพัธภาพพิเศษก็มีบทบาทมากๆในการอธิบายการเปล่งแสงของดวงอาทิตย์ ตามสูตร อ, อกับ m4 square คือมวลที่มันหายไปอ่ะมันหายไปไหนมันหายไปเป็นมันแปลงเป็นพลังงานไปแล้วอะไรแบบนีเผาฟ้าแล้วมันมาหาศย์มันแบบว่ามันมีแบบความควา ม, ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าอยากรู้ว่าในมุมของพี่ป่องแปงเองอย่างเงี้ยที่เป็นนักฟิสิกส์ในรุ่นวันนี้ที่มันอาจจะแบบไม่ใช่อยู่ในยุค ข, ของไอน์สไตน์แล้วเนาะพอพี่ได้แบบพร้อมๆเข้าใจมาหรือมานั่งอธิบายให้เราฟังวันเนี้มันอินสปา์อะไรกับตัวพี่ป่องแปงไหมคะสําหรับบทบาทของเราในการเป็นแบบนักสื่อสารวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยอืม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 มันเก่งมากๆเลยคือการทดลองพบก่อนแล้วเราคิดได้มันก็โอเคใช่ไหมตอนนี้คือคิดได้ก่อนคือล่วงล้ำการทดลองไปอ่ะมันมันสุดยอด อ, ะอ่ะแลอวมันอินสบายมากมและที่สำคัญคือมันชวนให้เราคิดว่ามันมีเลเยอร์ของความจริงอื่นๆอีกไหมที่ที่เรายังมองไม่เห็นเออนะฮะใช่เนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมได้จากการศึกษาทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ผมอยากจะทิ้งท้ายอย่างหนึ่งคือประเด็นคือคือว่าการที่เราเห็นทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษหรือพวกกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยมันมันไม่สอดคล้องกับสามัญสํานึกมันเป็นโมเดิร์นฟิสิกส์เรารู้สึกว่ามันน่าทึ่งมันแฟนตาซีมากเลยมันแบบจริงเหรออะไรเงี้ยแต่มันยังมีทฤษฎีที่ผมคิดว่ามันแฟนตาซีมากแต่เราอาจจะละเลยมันนะรู้ไหมครับอะไรอะไรคะมันคือกลศาสตร์คลาสสิกไงกลศาสตร์คลาสสิกที่ไอแซคนิวตันสร้างขึ้นมา จริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่ make sense มากนะเพราะไม่ยอย่างนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องเห็นมันชัดเจนมากแล้วเราต้องรู้ตั้งแต่อริสโตเติลแล้วแต่จริงๆความมาหน้ามหาสารของฟิสิกส์อ่ะผมสำหรับผมนะมันแฝงอยู่ในทุกจุดของฟิสิกส์ในความเป็นกลาศาสตร์คลาสสิกเองของนิวตันเนี่ยอันนี้ผมว่าก็น่าทึ่งแม้ว่าเราเรียนทุกวันนี้มันจะรู้สึกโอธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆแล้ว ถ้ามันธรรมดาจริงทําไมเราต้องรอไอ้แซนิลตั้คิดใช่ไหมมันไม่ธรรมดาหรอกอแล้วมันก็มีหลายอย่างที่ไม่ได้สอดคล้องกับสามัญสำนึกที่เราเห็นทั้งหมดอันนี้ผมว่าน่าทึ่งแล้วก็ธรรมชาติเกี่ยวกับพวกความร้อนเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบคลาสสิกพวกนี้ฟิสิกส์แบบคลาสสิกจริงๆอ่ะมหัศจรรย์มากนะตรงนี้ไว้ไว้ในอนาคตอยากเล่าเหมือนกัน<ฆ>เพราะว่าพอพูดถึงโมเดิร์นฟิสิกส์มากๆเราจะรู้สึกว่ามีแต่โมเดิร์นฟิสิกส์ที่มหัศจรรย์จริงๆฟิสิกส์แบบคลาสสิกอ่ะ ก็มหัศจรรย์มากใช่คือเหมือนก่อนจะมาเป็นหลักการที่ใช้คำว่าคลาสสิกจริงๆแล้วเหมือนเอ้ยเหมือ น, <ช>นเป่ธรรมดา<ช>แต่จริงๆก่อนมันจะมาเป็นความธมรรมดาในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ธมรรมดาเลยมไม่ธมรรมดานะคะก็มองว่าเรามาคุยกันแบบนี้นะคะถ้าใครที่ฟังแล้วเข้าใจเยอะก็แบบว่าแสดงว่าคุณเก่งมากนะคะสามารถตามที่บงง่งเป็นแชร์กันมาได้ใช่ว่าเอ้ยถกเถียงพูดคุยหรือว่าไปอ่านข้อมูลความรู้อะไรมาก็คุยกันแต่ว่าถ้าใครที่ฟังแล้วยังรู้สึกว่าเอ๊ะ อ่ะแบบที่ฟังก็อาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นบ้างนะคะฟังว่าอย่างน้อยมันก็เป็นประโยชน์ของการที่เราได้เห็นว่าก่อนที่มันจะมาเป็นเรื่องเหล่านี้ มันมันก็มีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นมาในยุคหนึ่งนะคะก่อนที่จะมาเป็นทฤษฎีที่เราใช้คำว่ามหาศจัลเนะก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นน่ะนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ตามฟังแล้วนะคะอยากฟังเรื่องไหนอีกนะคะก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากกด subscribe นะคะในยูทูบช n แนของ The Standard Podcast แล้วก็ติดตามใดๆในโลกโลนฟีสิกสกันได้ในทุกๆ Podcast Player เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ